จะไม่ให้เพียร์สำคัญ ม, มากนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันเพียร์ในตัวอื่นเสียถามว่าถ้ากายเนี่ยกายวิริยะมันเพียเนี่ยเจตสิกวิริยะตั้งอยู่ไม่ได้ต้องระวังให้เป็นเอ้ยเวลาเล่งเวลาผ่อนต้องเป็นหลายคนถามมาดมาใช่ไหมามาไปเนี่ยมานอนน้อยมาก แต่มาไม่เพลียอันมารู้อันมาดูมันมานานอันมาจะต้องเอากายวิริยะเจตสิกวิริยะมาใช่ยังไงช่วงไหนอันมาผ่อนช่วงไหนอัตมาเล่นแล้วถ้าเล่นเล่นเล่นไปเสร็จแล้วมันจะเต็มที่อันมาผ่อนยังไงแล้วทํายังไงไม่ให้ง่วงเพราะถ้าง่วงแล้วเบียเสร็จเมันแรกจะเพียนทางกายเนเจตสิกวิริยะมันไม่เกิดเอาสิทำไมนามาทํามันไม่เอาด้วยอ่ะ ถ้าการไม่หล่ อ, อนเอมากแล้วจะทำํำไงใช่ไหมใช่เห็นไหมว่าทุกจุดของการเล่นของการกระทําทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อการขัดเก่าให้ได้ต้องตั้งวิธีคิดให้เป็นถ้าเข้าใจนะเราท่านทั้งหลายจะจะไปดําเนินความเพียรกันถูกแล้วจะตั้งเป็นแล้วไม่ใช่ตอนเช้าก็มาโซมใช่ไหม ดูหมดสภาพแล้วเนี่ยปกศรัทธาเอามามองเบาก็รู้แล้วมูลนเนี่ยเนี่ยตั้งไม่ถูกถ้าตั้งถูกกลับมาผ่องใสอะ่ะมันต้องพองสใยไม่จะเพี้ยนแบบประเภทที่อกุศลเพราะอากุศลมันก็นเพี้ยนได้นีนะ่อย่าลืมนะเพราะฉมันต้องมันต้องมันต้องรู้จักตัวเองเนี่ยต้องรู้จักไข่ควรวนให้ดี เอาเหอะไปใคร่ครวนจากการฟังว่าทำแล้วไปใคร่ครวนดูแล้วก็แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจ่ิงๆกลุ่มอังกุศลเกิดแล้วจริงๆเพียจริงหรือเพียรไม่จริงเป็นตันเรานี่นะมันจะเข้าใจแล้วเราจะอยู่ได้ใช่ไหมเราเป็นนอนแล้วเราครุใคร่ครวนยังไงอช่วงนี้มันเต็มที่แล้วก็ช่วงพักผ่อนยังไงแล้วก็ช่วงที่นั่นยังไงเขาเรียกว่าเป็นแล้ว อันมาอาศัยงานทางโลกมาเปรียบเทียบอันมาทํางานทางโลกเนี่ยอัตมาสังเกตุคนบางคนเนี่ยก็า่อนสั้นผ่อนยาวเลยอันมาก็าผ่อนสั้นผ่อนยาวยอันมาเป็นนักกีฬานะสมัยก่อนเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยนะอันมารู้ถ้าจะวันนี้จะวิ่งสิบห้ากิโลเจ็ดกิโลไปกลับสิบสี่กิโลจะวิ่ง ท่นมาจะรู้ว่าช่วงขึ้นเนินปั๊บๆๆขึ้นไปเนี่ยแล้วผ่อนยังไงหายใจยังไงแล้วลงเนี่ยใช่ไหมช่องนั้นเราจะได้ได้ช่วงพักหนึ่งไงอันนี้ท่านมาเขาสังเกตบอกอ๋อการขัดเกลาการอบรมกายการอบรมใจเราต้องเป็นเราต้องเป็นเพราะว่ากีเลสมันจํานานมันํานานเยอะ มันฝึกมาดีแล้วในสังสาระวะ่าเราไม่ต้องเป็นห่วงมันเราไม่ต้องเป็นห่วงก็ยังใช่ไหมแต่ศรัทธาวิริยสะสติสมาธิปัญญาของเราท่านั้งหลายต้องฝึกให้เป็นต้องฝึกให้เป็นไม่ใช่ฝึกแบบทะบี่ระเบิดใช่ไหมแล้วฝึกแบบมีปัญญามีวิจารณะอย่างมีวิธีคิดมีความเข้าใจในพระธรรมถ้าเรามีความเข้าใจในพระธรรมพอสมควรแล้วเนี่ยคิดว่า ไไถ้าเข้าใจในในในในในในวันนี้หรือในเดือนนี้ในปีนี้ในชาตินี้ได้อัธยาศัยมันจะไปได้เรื่อยๆมันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยใช่ไหมเราเป็นผู้ที่จะต้องเดินทางในสังสารวัตแน่นอนแน่นอนถ้าดับได้ก็ดีแต่ถ้าดับไม่ได้หรือปรารถนาใหญ่ๆสูงๆ ต้องเดินและต้องเดินแบบมีอุบายมีวิธีไม่ใช่สุบสีส่ซุบห้าเดินที่ผ่านมาผิดพลาดก็ต้องยอมรับว่ามันผิดพลาดอันนั้นแหละคือจุดเอามาให้ครนเอาวัฒนวิทยาไปต่องดูอ๋อมันจะเห็นใช่ไหมเพราตาคือวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไปตรวจสอบได้ว่าจุดผิดพลาดแก้ไขแก้ไข ย, ยังไงเหมือนศีลเนี่ย บอกพ่องปุ๊บรีสมาทานบกพ่องปุ๊บรีดสมาทานให้กลุ่มคณะทั้งหลายได้เปรียบได้เปรียบหมายความว่ า, าได้เปรียบทะที่หากัญญานมิตรยากเพราะผิดพลาดแล้ ว, วกว่าจะหาพระแสดงโอ้โหยากมากเช่นตัวเองทุสีและข้อเดียวเลยเหมือนจะเป็นแสดงกับพระอะไรถ้าเข้าไป ต้องบำบัดเหมือนเราก็ไปแสดงไม่ได้เห็นไหมต้องอยากยากเราจะอยู่ยังไงเนี่ยสภาพภาพปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่งเวทล้อมเนี่ยยากไม่ง่ายที่อยู่ได้กาศทุกเก่งมากไม่ธรรมดาเลยเพราะอยู่ในสถานการณ์คนที่มีศรัทธาอย่างเนี้ย ส่วนใหญ่มีศรัทธาอย่างนี้ส่วนใหญ่มีวิริยะอย่างนี้ส่วนใหญ่มีสติสมาธิและปัญญาระดับนี้ระดับปกติเนี่ยนะระดับสูงเนี่ยไม่หาไม่ค่อยได้เนี่ยจะทํำยังไงทีนี้ประการต่อมาคือว่าเมื่อวิริยะที่เป็นไปในสมถภาวานาเป็นต้นเหล่านีน้หรือวิวปัสสนาภาวนาเป็นต้นน่ะเริ่มแข็งแรงเป็นต้นเหล่านี้ยก็สงบจิตที่โหดขู่จิตที่้อถอยจิตที่ฟุ้งซ่านนี่นะเข้าไป จิตที่หัวหูจิตที่เกลียดขันมันจะลุกออกจากความเกลียดขันแต่ก่อนที่เคยนอนแบบตะบีตะบานนอนเนี่ยนะมันไม่เอาแล้วจ้างให้มันนอนมันก็ไม่นอนไม่นอนหรอกมันนอนได้ยังไงไฟคือสังสารวาัตมันเผาอยู่เผาอยู่เผากระแสาขันอยู่ในดีก็เผามาอย่างยาวนานในนาทันาน้งโคกจะไปโดนเผาามทำไง ถ้าถามโยมเนี่ยถ้ารู้ว่าเราเป็นนักโทษประหารและถูกตัดสินประหารแล้วมีนักโทษคนไหนบ้างที่เขานอนหลับสนิทก็มีคนบ้าเท่านั้นแหละที่นอนหลับได้สนิทเพราะไม่รู้เรื่องว่าเขาจะประหารเขา้าใจนะสำหรับคนที่ดีๆทั้งหลายคนที่มีสติปัญญาพอจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองเขาไม่มัวนอนหรอกเขาไม่ก็เห็นจนอนเท่าไหร่หรอก เขาจะนอนก็ตกเมื่อเพียจริงๆแล้วในขณะเดียวกันก็กรหาอุบายว่าทํำยังไงโน้ะ no. เขาจะไม่ถูกฆ่าหรือถ้าเขาถูกเขาเมื่อทํำยังไงเนอะเขาจะไม่ถูกฆ่าทํายังไงเนาะเขาจะออกเาตที่ตรงนั้นได้เขาคิดอย่างนี้จริงๆนี่ท่านนักหลานลอคิดดูที่ถ้าหากว่าคนที่มีศรัทธาในพระเจ้าแล้วเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วรู้ว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นนักโทษประหาร จะถูกฟันคอเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้จะถูกยิงเป้าเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไม่รู้เนี่ยเมื่อเรารู้ตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเพลิดเพลินได้ไหมเพลิดเพลินได้ไหมยัยงไงเว้นไว้แต่คนขาดสติใช่ไหมถามว่ามันมีคดีอยู่คดีหนึ่ง สมัยเป็นคราวาสเนี่ยอาตมาดูสารคดีเป็นคาราวาสเนี่ยมันเป็นคดีสมัยก่อนที่เขาเล่าเรื่องอเมริกันเนี่ยอเมริก า, น เ, น เ, กานเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะที่ไปบุกแล้วก็ยึดอเมริกาอเมริกาด้วยกันแต่ชาวถิ่นเนี่ยเขาอยู่มาก่อนมันสารพัดที่ไม่ชาวถิ่นที่ เป็นชนพื้นเมืองอ่ะเหมือนออสเตรเลียพวกนี้พวกอะเบริกินเ้าก็ครองอยู่ก่อนอย่างเงี้ยถ้าเร า, าเราเห็นว่าพอเขาไปนั่นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ไปออกกฎหมายมันมีกลุ่มหนึ่งมันเป็นมนุษย์กินคนนี่มนุษย์กินคนเนี่ยมันเป็นปกติของเขาบางทีเนี่ยนะ พ่อทํากิจผิดกฎของเผ่าของหมู่เขาเขาก็ไปกินพ่อเป็นแทะเนื้อพ่อกันจรินมัดแล้วก็เฉือนเอาเนื้อพ่อมากินกันบุคคลเหล่านี้ก็ไปเบ็ดเสร็จก็ไปตั้งคนหมายว่าต่อไปถ้ากินมนุษย์ประหารชีวิตแล้วก็ประ ก, กาศเขาจะรู้ไหมเนะี่ย บุคคลเหล่านั้นเขก็ยังทําตามประเพณีบุคคลเหล่านี้พอไปเห็นก็ไปจับเข้ามาจับเข้ามาเขาก็เหลอละล้าเลอละ่ะแล้วก็ไปขังเขาไว้เขก็ไม่เข้าใจไปขังทำไมเขาพูดภาษากันก็ไม่รู้เรื่องลูกขุนทั้งหลายก็นั่งเรียงหน้าสลอนว่าพวกนี้โหดร้ายมากกินมนุษย์เดือก็ชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกาตหานชีวิตจับเข้าไป เ้าก็แปลกเออเขาทําถูกต้องเข้าใจยังแต่เขาถูกฆ่าคือเขาไม่รู้เราท่านทั้งหลายก็คือว่านี่ไงเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นนักโทษประหารเราก็มานั่งแปลกใจว่าทําไมคนดีต้องตายทําไมคนคนนี้คนนั้นไม่ตาย มันจะตามอะไรพวกเอาเบริจิหรือพวกกลุ่มคนมากตั้งหลายไอย้กลุ่มคนเขาไปคนป่าตั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่เหมือนเราไม่เข้าใจสังสาระวะัตว่าเราเป็นนักโทษบรหารเราจะถูกฆ่ากันอยู่แล้วตอนนี้ถูกตัดสินเรียบปรหารแต่เราก็นอนถ้าหลับเป็นอยู่นี่แหละ ไม่รู้หรอกว่าเขาจะลากไปประหารเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้อีกชั้นต้นเลยชั้นอุทธรเลยชั้นเดชกาเขาก็ไม่รู้เขา้าจยังมองเห็นไหมถ้าโอปมามีเนี่ยจะได้เห็นภาพว่ า, าไม่ไม่ใช่เราเป็นบุคคลไม่รู้กติกาของสังสารวัตร ว่ากติกาของสังสารวัตกติกาของกรรมและผลของกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้มาเนี่ยเราถูกฆ่าเรียบเป็นนักโทษประหารก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วไม่มีทางออกนอกจากเอกายโนยังพิคเวมโคใช่ไหมเดินตามทางนี้แล้วจะไม่ถูกฆ่าเดินตามทางนี้แล้วจะพ้นจากการเป็นนักโทษประาร มีทางเดียวไม่ใช่ทางสองแผงไม่ใช่ทางสองสายหมดเวลาคิดทางอื่นทางนี้มีอยู่เหลือแต่เพียงว่ายอมจำนนเป็นนักโทษไปจะทำเหมือนคนไม่รู้เรื่องก็ได้ที่ยาวนานผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นแหละรู้ก็รู้ไม่ค่อยจริงแปลงจะตุ้นมันน้อยวิริยะมันน้อย ไม่น้อมออกกันจริงๆมันก็เป็นเนี้ยสจัจะว่าเป็นกันอยู่อย่างนั้นงานทางโลกเอาขยันกันจังนั่นมาพูดมาพูดไปคนหมู่มากเขากโกรธะมาเอาจริงเอาจังยอมตัดทิ้งพระพุทธเจ้าก็ยอมเขาไม่เข้าใจหรอกนั่นเขาเรียกวิริยะปกติ คุณจะรวยล้นฟ้าขนาดไหนก็คือวิิยาปกติอย่างดีที่สุดคุณก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นนักโทษวะแ้่คุณจะถูกฆ่าแล้วคุณออกไม่ได้อ่ะคุณไม่เคยคิดออกอะคุณไม่เคยคิดออกเลยค อ, อ่ะบางคนรู้แต่ไม่เคยคิดจะออกทั้งๆ ท, ที่ทางก็มีอยู่ผู้บอกทางก็มีอยู่แล้วก็ปิดหูแล้วก็ปิดตา แล้วก็ปิดใจตัวเองซะเนี่ยมันจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ยังไปมั่นใจวิธีที่ตัวเองทํากันอยู่นั่นแหละว่ามันใช่มันถูกวิ่งไปสิก็เหมือนเรานี่แหละวิ่งกันมาเนี่ยยานานมาแล้วแล้วก็มาประชมขันทอยตยัตยนะก็อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวขันทัยตยัตยานะนี่ก็เลยกันแล้วก็ไปถูกปัญหากันพบอ ป, ป, ป, ปหน้าอนนาแท้หน้าเจ็บปวดแท้ หน้ากระรุนหน้าแท้ๆด้วยไม่รู้จะเปิดมา่านตาได้ยังไงเปิดม่านใจได้ยังไงที่ปกคุมกระแสตาของสัตว์โลกหรือกระแสใจของสัตว์โลกนไม่รู้จะเปิดยังไงถ้าทําวิญญาณมีเนยเราไม่สามารถเอาการทำวิญญาณลาดลดกระแสจิตเขาได้ให้เขาเห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆคุณคิดกันนั้นไม่ถูกแล้วเข้าใจไหมเนี่ยไม่รู้จะเปิดมา่านยังไง ใช่ๆเขาเข้าใจว่าที่เขากําลังดําเนินกันอยู่นะ่ะพลาดแล้วได้ยาวนานด้วยขืนเป็นอย่างนี้คุณพาลาดถ้าก็จะพลาดไปด้วยอีกอย่าง น, นี้ถ้ามองให้ชัดเจนไปนเสร็จนี้เราก็จะเห็นบางคนเนี่ยมาฟังดูเหมือนสธาสธาสธ า, สาแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกัน เป็นสภาพอย่างนี้หมดแล้วจะทำไงแล้วก็มาดูเราแ ล, ล้วเราแล้วก็คล้ายๆนั้นด้วยแล้วก็ทำท่าแปลกๆตกลงงย่เนี้กูจะง้างขึ้นแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมองเห็นไหมไม่รู้ประเภทมืดมนอนตรการกันหมดเลยนี้เนี่ยนะบางทีคนนี้จะไปดึงก็ไม่ไหวแรงไม่มี มันดูจะดึงยัง ไ, ไงแล้วก็นั่งสับเพสสตากสัตว์ทั้งหลายที่เห็นมันดูใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบอว่าจะเจริญอย่างไงจอยก็เจริญพิจารณาไปโอ้โหนี่ไงว่าตากมันเป็นอย่างนี้กระแสขันธาตุยานธามันน้อมลงอย่างนี้มันติ่งลงอย่างนี้ มันติดวัฏฏ า, ายอย่างนี้ดึงขึ้นมาปั๊บมันก็ตกดึงขึ้นมันก็ตกไอ้คนดึงมันจะตกด้ว ย, ลว เ, ยเ ล, ย, ลเ ย, เยเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวนี้ยอ้หน้ากลัวแล้วคเนี้นะดึงไปดึงมาเราต้อตกไปเราด้วยตกแล้วมองเห็ น, นยังเข้าใจไหมโอ้ตายอย่าเงี้ยนี่ก็นี่คือคือวิริย์ประการต่อมาคือสติไอ้มาต้องรีบเร่งหน่อ เ, เดี๋ยวจะไม่จบอินทรีย์ตาอ ตามข้อมูลคือสติเนี่ยนะในบรรดาสติต่างๆงงางนั้นทะี่ได้กล่าวเนี่ยนะสติที่จะเป็นไปในสติปัฏฐานเนี่ยที่เป็นสติที่พึงเกิดใช่ไหมอ่ะศีรานุาสติะชนะ่ไหมพูทานุาสติเนี่ยโอ้โหสติเราเนี่ย เป็นสติที่น่าคิดเพราะว่าสติเหล่านี้ต่างหากฉะนั้นสติระดับศีล ส, สติระดับทานยัง่จารคานะเราก็มีการรักษาศีลก็มีสติเช่วอพักทช่่อคู่ก็เป็นรักษาศีลสมาทานศีลเปี่ยเศษแล้วก็จบหายไปตรงนั้นลแล้วเข้าสติก็หมดกำลังลงไป เป็นสติธรรมดาธรรมดาสติที่เป็นไปในทางศีลธรรมดาไงคือไปรักษาศีลปุ๊บสติไม่มีกําลังต่อแล้วไม่มีการปล่อยเรื่รองสติแล้วเป็นกันอย่างเงี้ยเยอะเต็ไมไปหมดซึ่งเราก็เห็นใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกันที่บอกว่าโอ้จะไปลำตานรักษาศีลจะไปอะไต่างก็ว่ากันไปเป็นกิจกรรมหมดแล้วตอนเนี้ยเขาไปอยู่ได้กี่วัน สามวันโอ้โหดีดี ด, ดีสาธุสาธุแค่นั้นแหละแต่ถามว่าสามวันที่ไปอยู่เนะี่ยถามว่าภาวนาสติมันเกิดไหมคือสติระดับอนุสติทั้งหลายสติระดับสติปัฏฐานทั้งหลายสติระดับพุทธชงใช่ไหมเป็นตัวเห่านี้เกิดป้องไหมถ้ามไม่เกิดเนี่ยใช่ไหมมันจะทําลายมุตตสติคือการหลงลืมสติได้ไง แล้วถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเราประเภทเป็นมุทัสติเนี่ยสติไม่ไม่อ่อนแอสังเกตยังไงพอสติอ่อนแงหรือไม่อ่อนแงสังเกตยังไงสังเกตก็ตรงที่ว่าระลึกได้แป๊บหมดแล้วนั่นเขาก็ถูกจิตอีคุ้มคลั่งทั้งหลายนี่แหละมันก็เราะลึกแบบวิชาสติไปเลยมุทัสติระลึกเป็น เอ๊ะระลึกถึงบ้านร ล, ลึกถึงสรัพย์ร ล, ลึกถึงอะไรเยอะๆยไปหมดการงานเรื่องการมงคณจำแม่นการงานเรื่องการจเจริญกุศลจำยาวเดื อ, อนเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยให้สังเกตดูสิดูเหมือนดีดูเหมือนดีทีนี้สติเนี่ยนะในการที่ ถ้าสตินั้นเข้าถึงความมีกำลังเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปในการที่ว่าอนุสติทั้งหลายอนุสติกินความหมดมือเลยนะตั้งแต่จาคาศีลาจาราอุปสมะพุทธาไร้วิหูใช่ไหมให้สังเกต ด, ดูนะเราให้ทานแต่เราเอามาเจริญจาขาไม่ได้เร า, ารักษาศีลเอามาเจริญศีลอนุสติไม่ได้ใช่ไห เราไปไหว้พระเรามาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังการนุสติไม่ได้อันนี้คือจิตเรามันไม่มีสติประกอบแล้วเป็นมุทหสติไปตั้งนานแล้วหลายท่านก็ไม่เข้าใจและไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นให้ตัวมุทหสติคือความหลงเนี่ยความหลงและสาคัญว่ามีสติกันทั้งหลายเนี่ยมันก็อยู่กันนี้ ที่มันระลึกไม่ได้กระอย่างที่ได้กล่าวว่าเราเนี่ยใช่ไหมสําคัญตัวเราว่านักโทษประหารนักโทษปรหารเนี่ยมันไม่ชัดมไม่ชัดหรอกมรณะรู้สติไม่ชัดใช่ไหมถ้าตรงนี้ชัดสี่มันจะเห็นแล้วเรื่องอะไรสําคัญจุดนะนะ ม, มันจะเห็นความสําคัญอะไรคือสําคัญแล้วมันจะเรียงลําดับถูกก่อนหลัง ตอนนี้มันสลับหัวสลับหางหมดแล้วจริงไหมวัตถุกรรมสําคัญกว่าคําสอนน่ะไอ้มันเลี้ยงผิดก็มันเลี้ยงผิดมันจะไปต่างอะไรกับเด็กกินอาหาร ไ, ได้คำหนึ่งก็วิ่งเลยเขาเขาไม่สามารถจะเอ า, เอาสติมาระลึกในเรื่องที่มันถูกมันต้องได้เขาห่วงเล่นเขาเหมือนเราห่วงวัตถุกรรมอะ่ะ แล้วจะสติมาลึกในจาคาศีราอุปสมาเทวตามรณาจะมาลึกในอานาปันนะลึกในพุทธคุณธรรมคุณน้มบุญจะลึกไม่ออกมันก็หลุดออกแล้วไปอย่างอื่นมองเห็นไหมออกนอกวิถีออกนอกรูนอกทางหมดอยู่ไหมออมดูลมแป๊บเดียไปหลงหือไปไหนในตอนไหนเข้าใจยังนี่ไง แล้วประการต่อมาก็คือสมาธิก็ในยะอย่า ง, ง น, นั้นน่ยสมาธิก็ถ้ามุดสติก็จะดับมุดถัดสติสมาธินีก็จะดับความไม่สงบแห่งจิตได้ปัญญินีถ้าเป็นปัญญินีระดับก็ละความรุ่มหลงละความมัวเมาเป็นต้นได้ hence สตาวิยาสติสมาธิทั้งสามเหล่านี้เป็นเาบอกว่าสธาวิยาสติเนี่ยนะ ถ้าปัญญานี่ะความมัวเมาลุ่มหลงทั้งหมดนะถ้าทั้งสามอย่างศรัท ธ, ธาวิรยิยสติเหมือนอมากคอยรับงานพระราชาเพื่อให้สมาธิและปัญญานั้นนะ่ถึงความเจริญง อ, อกงามในการที่จะเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นหรือจเจริญอนุสติเป็นต้นเะไรเนี้นะให้ใหญ่โตในจิตถ้าว่าตามทางแห่งสมถะ สมาสมาธิสีได้แก่สมาบัตนะปัญญสีได้แก่เกี่ยวกับในเรื่องของปัญญาที่เข้าเป็นวิจัยริยสัตว์ได้ชัดทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็น ว, ว่าช่องทางในการที่จะทําให้สมถาะาและวิปัสสนานั้นแข็งแรงนั้นนะก็เริ่มจะมองเห็นแล้วก็ต่อไปก็วิปัสสนาญาณทั้งหลายก็จะเป็นไปตามลําดับใช่ไหมทีนี้ศรัทธานี่นะี่ย ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพุทธคุณมีอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นการเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมคุณการเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในสังฆคุณการบริบูรณ์ด้วยศีลคุณเป็นประทัดฐานของเรกุตราชสมาธิเป็นต้นเอลไรเนี้ยองคศีเหล่านี้แต่เป็นอุปกรณ์สามารถที่จะให้ถึงโสดาปิมัคคยานเป็นต้นได้เข้าใจไหมความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรมป ร, ริยสุขสามแล้วก็ในศี บริบูรณ์ศีลนั่นเองปะะัตาศีลไม่บริบูรเป็นโลคุตระสมาเป็นประธานของโลกุตระสมาธิไม่ได้ทีนี้ในภาพบาลีที่ท่านบอกพุเทเทอเวจักปะสาเทนะสมานาคาโตเป็นต้นคําบว่าเอาเวจักปะสาทะาก็หมายถึงความเลื่อมใสที่เข้าไปยังไม่หวั่นไหวคือศรัทธาของบุคคลที่ได้อุปยาระสมาธิในพุทธคุณเนี่ยไม่หวั่นไหวถ้าใครยังไม่เคยได้อุปยาระสมาธิใน พุทธคุณเนี่ยศรัทธาหวันไหวศรัทธายังวันไหว <c oughs> เหมือนเราท่านทั้งหลายศรัทธาวันไหวนั้นศรัทธานั้นในขณะที่เริ่มสายนพุทธคุณเนี่ยย่อมควบคุมจิตของตนได้ในธรรมคุณฐานะคุณเป็นต้นก็นเช่นเดียวกันถ้ามีศรัทธาเนะจิตที่เกิดความฟุ้งซ่านทั้งหลายจิตที่เกิดความ ไม่สงบเรียบร้อยทั้งหลายเ่าเนี้ยเนะียถ้ามองนง่ายก็คือเหมือนจิตที่เป็นบ้าเมันคนเป็นบ้านคนเป็นบ้านเนะี่ยต้องให้ยาคนที่จิตคุมคลัง่งจิตที่ไม่อยู่ในร่องรอยของคําสอนทั้งหลาย ก, ก, ก็ต้องให้ศรัทธาถ้าไม่ให้ศรัทธาไม่สงบหรอกถ้าให้ศรัทธาถึงจะสงบสังเกตด้วยที่เราดูบุคคลที่มานั่งนั่งนั่งฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ดีนะทีนี้ ถ้าพิจารณาเงี้ยศีลที่บริสุทธิ์เป็นประทัศนของโลภุตระสมาธิใช่ไหมอาชีวธรรมกศีลศีลที่รักษาให้เป็นพื้นฐานเพื่อให้ถึงโลภุตระสมาธิในชาตินี้เท่านั้นแหละศีลระดับอย่างนั้นนั่นแหละก็เว้นจากการขาดการทะลุกา ร, กการด่านการพลอยพ้นจากความเศ้าหมองจากกิเลสมีตนะมานาะทิฏิเป็นต้นอันนนแหลความบริบูรณ์แห่งศีลเนี่ยศรัทธาให้ตั้งหาง ใช่ไหมเ้ายัางบอกว่าความบริบูรณ์แห่งศีลนั้นมีศรัทธาเป็นปุทัาฐานใช่ไหมถ้าไม่มีศรัทธาเป็นพทธาฐานศีลบริบูรณ์ไม่ได้และศีลที่มีศรัทธาเป็นพุทธาฐานเนี่ยศีลนั้นไม่เศร้าหมองไม่ด่างไม่พลอยไม่ทะลุเป็นต้นอะไรเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัจถินสีดีแล้ว พอตั้งมั่นในคุณของพระเจ้าแล้วกุศลราิีจะแข็งแงเริ่มจะมองเห็นนะโอ้โหมันเป็นคุณแก่กันอย่างนี้ประการต่อมาคือว่าวิริยะเนี่ยกัตถวิริยันตรีวิริยินทรียังทถทับพังจตูสุสมปทานีสุเอตทะวิริยินทรียังนะทัตัพพังก็คือว่าในหมู่เค ร, รือข่ายบรญชีษนะ ผู้ที่ควบคุมจิตให้หายจากความคมครองได้เนี่ยถามว่าจะหายหรือไม่หายเอาอะไรเป็นตัววัดเอาตัวส ม, มประทานมาเป็นตัววัดถ้าส ม, มประทานสมีนะหายอนนันก็โห่เอาเธอส ม, มประทานมาก็เรื่องยาวเลยเนี่ยนั่นแหละเอามาใข้ควรนี่ดีดีเพราะศรัทธาจะเป็นประธานของส ม, มประทานยังไง สถานในศีลจะเป็นประธานแกสมภารทา น, ทา น, ทานใครเคยไปฟังสมภารทานกันมาแล้วใช่ไหมยังไม่เคยใช่ไหมได้ข่าว่าเขาบรรยายแล้วก็ไปเชื่อมดูฮะ น, นั่นแหละไปดูตามนั้นไอ้มาก็เชื่อมพื้นฐานให้ไปถึงตรงนั้นจะได้ไปเชื่อมกันได้จิต ท, ที่ทําอย่างมุ่งมั่นนะอย่างใครเดียเาพจักจักขคุ ป, ปาละ อย่างพระโสนะนั่นแหละองค์สี่ได้แหละเนื้อนะมแน่นเลือดจงแห้งไปไหมเนื้อเลือดให้แห้งไปซะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรม ท, ที่ไม่ได้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่บรรู้รู้แจ้งในธรรม ท, ที่ยังไม่รู้แจ้งจกไม่หยุด ตายแล้วชาตินี้ชาติหน้าจะไปเพียรต่อตายแล้วชาตินี้ชาติต่อตไปจะไปเพียรต่อเพียรไปเรื่อยเรือยยิ่งกว่าจะบรรลุเอางั้นนะตั้งอย่างงั้นชาตินี้ถ้าไม่ได้บรรลุนะก็ใเป็นตายไปกับความเพียร น, นั่นแล้วชาติหน้าเขาจะเ้ า, ามุ่งมั่นจะไปทําต่อคิดอย่างเงี้ยมันจะได้แข็งแรงนี่นแหละสรุปวิทยะให้เข้าใจไหม สรุปวิริยะอย่างนั้นแคือเป็นพิเศษไปเป็นวิริยะที่พิเศษถ้าไม่ได้วิริยะที่พิเศษอย่างเนี้ยความคุ้มคลั่งแห่งจิตไม่หายมันไม่หายเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาปุ๊บปุ๊ปป๊ปอี ก, ก, กใช่ไหมต่อไปก็สติดังรีบเร่งไกลหมด้วลา เวลาที่อราจมาตั้งไว้เดี๋ยวพวกเราจะได้ไปฝึกกันพอได้แนวทางนิดๆอสติกัตถาสตินทริยังทัตถพังเจตูสูเนี่ยจุดูสูสติปฐานเนสุเอถะสตินทริยังนี่นะทัตถพังเนี่ยนี่เป็นพระบาลีในหมู่เครหัสและบรรพชิต แมาเอาเงินเนี่ยือให้รู้ว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะนี่ก็นี่แหละข้าราชการหรือบัณิตเนี่ยถามว่าถ้าจะควบคุมจิตที่คุ้มข้า่งที่มันไม่อยู่ในร่องในรอยของสมถะภาวนาวหรือปัสนาภาวนาวไม่อยู่ในร่องรอยของศีนสมาธิปัญญาเนี่ยนะแปลว่าจิตมันคมไม่ได้แล้วยังยาวนานแล้วจะทาให้หายได้หรือไม่หายได้นั้นเนี่ยรู้ได้จากการเจริญสติไปญญ ถามว่เอาสี่ประฐานสีเ่เปเครื่องวัดใช่ไหมในกายานรือปัสนาเวทนาหรปัสนาจิตตาหรืปัศนาธรรมาหรปัสนามันเข้าร่องรอยตรงนี้มั้ยถ้ามันอยู่ในร่องในลอยตรงนี้มีโอกาสหายหายคลุ้มคลังเน่ที่ยังใช้บ้าก็ได้ใช่ไหมหายจาจิตประเภทที่มันไม่ยอมอยู่กับไม่ยอมระลึกอยู่ในกายเวทนาทจิตธรรม แล้วแล้วจริงๆเนี่ยอารมณ์เหล่านี้ไม่น่าเพลิดเพลินสําหรับสําหรับบุคคลที่จิตยังคง้มคลั่งเลยนะจิตที่ไม่สงบทั้งหลายเนี่ยอารมณ์เหล่านี้ไม่เพลิดเพลินกับเขาอารมณ์เหล่านี้ไม่เป็นอารมณ์นาที่ดีกับเขาแต่คนที่ปราถนาพระนิพพานต่างหอารมณ์เหล่าเนี้ยเป็นโอชาของสติเลยเป็นอารมณ์นาปัจจัยแก่สติอย่างดีเลยเพราะถ้าไม่ไม่ ไม่ระลึกในสิ่งเหล่านี้เขาพ้นทุกไม่ได้ถ้าไม่ระลึกในสิ่งเหล่านี้เขาโดนฆ่าแต่ถ้าระลึกสิ่งเหล่านี้เขาจะปลอดภัยเขาจะไม่เป็นเขาจะไม่โดนฆ่าอีกแล้วเขาจะไม่โดนประหารในสังส า, ารวัตอีกแล้วถามว่าถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เเขาจะต้องตากถนาจะระลึกไหมอาจารยทุกคนเข้าใจมุมเนี้ยทุกคนโอ้โหห้ามก็ไม่ฟังใช่ไหมบอกอย่าไประลึกเลยสติประธานอยู่ด้วยการเถอะอยู่เป็นนักโทษประหารด้วยการเถอะเหมียวหลอก ใช่ไหมใช่มันเข้าใจแล้วแล้วตอนนี้เราเข้าใจได้ยังถ้าใครมาชวนเราให้อยู่เป็นนักโทษประหารเอาไหมเอาไหมถ้ามีใครมาบอกว่าเออช่วยดูแลบ้านหน่อยบ้านนี้ไม่มีใครดูแลช่วยดูแลลูกหน่อยย่าเอาอยู่ไหมนะเอาไหม เ, <laughs> <laughs> เห็นไหมแ <laughs> เราจะได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่าลืมว่าถ้าจิตเรายัางไม่ แข็งแรง ม, มันยังไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้าแข็งแรงเมื่อไหร่นะคร่มันไม่เอาเอางี้ถ้าคนกินยาแล้วหายอยากคุ้มคลัง่งอยากอยู่กับกลุ่มคนคุ้มคลังนะ่งเ้ยนี่เรานี่ยเนี่ไม่กินยาไม่ได้กินยาเนีย ไ, ไ, ไม่ได้กินยาเอ่อมาเราสังเกตดยนะว่า คนที่เริ่มหายแล้วก็ไม่อยากอยู่หลายคนเจออะไรมาเนี่ยมายเข้าไปโรงพยาบาลนั่นมาทําไมชอบไปบ่อยอยังไม่รู้โร ง, ง, งพย า, าบาลทจิตที่ตรงทําไมไอ้ตรงที่เราเรียกโรงพยาบาลสำเ็จเจ้าพยานอะไรนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปทางโน้นแล้วยังไม่ได้ไปสักทีเลยนะแต่ก่อนไปบ่อยแต่ก่อนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ยตรงตรงตรงไอ้กายโรงพยาบาลสิหรืออะอยู่ทั้งมุ้เนี่ยามาก็ไปเยีย่ยม แล้วไปไปคุยกับเขาทำไมจะสังเกตโอนีิจิตบ้าเป็นอย่างนี้จิตไม่บ้าอย่างเราสมมุตินี้ะเขาจะมาเทียบเคียงถ้าคนที่จะหายแล้วเขาบอกว่าคนเราเด็กครับฉันอยากกลับผมอยากกลับแล้วไม่อยากจะอยู่เลยไม่อยากจะอยู่กับคนกลุ่มนี้เลยเขาไม่เข้าใจผมเลยอันนี้แปลว่าเขาจะหายจริงๆถ้าเขายังเพลินอยู่กับกลุ่มนั้นอยู่มันไม่ได้ไม่ได้หายนั่นดื่มยาดื่มทำโอโซนเยอะ มันจะได้หายเข้าใจไหมเราดื่มน้อยไปอย่าไปไม่กล้าดื่มดื่มกาไปเหว่หนั่นแต่ข้าวแต่ข้าเราจะมองรู้เฮ้ยเราอยู่กับใครเนี่ย <c oughs> ถ้ายังมองกันพวกเดียวกันพวกเดียวกันอยู่แปลว่ามันยังเท่ากันอยู่ใช่ไหมถ้าดื่มมากๆแล้วไม่อ อ, อกลองคิดดูนะอย่างเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ดื่มเนี่ยนะแต่ข้าเราจะอยู่กลุ่มระดับนี้ก็ไม่ได้ไมันจะลดไป ก, กลุ่มหนึ่งแล้วก็จะลดไป ก, กลุ่มหนึ่งแะ่ข้าก็ไปเดินยืนด้านท้องถนนอมนนีกลุ่มหนึ่งแล้วนะ นะครับานางข้าก็ถูกจับอันนี้ก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมกลุ่มที่อยู่ในท้องถนนยังพอรู้เนื้อรู้ตัวนะไอ้กลุ่มถูกจับไปอยู่ในบ้านถูกล็อกเอาไว้หมอมัดแล้วที่ไฟฟ้าชอ็อตเขให้กินยาให้กินยานอนหลับป้องกัน ก, การคุ้มครองั่นกลุ่มหนักแล้วแล้วก็จะเลี้ยงลำดับนะกลุ่มที่ปล่อยได้กลุ่มที่ปล่อยไม่ได้กลุ่มที่ระบบอารวาทั้งหลายเนี่ยแล้วก็พิจารณาด้วยวเหล่านั้นเนี่ยกิเลสประเภทไหน เราอยู่ขั้นไหนจะได้ามาตรวจสอบเคยอาราวาดไหมแบบที่ทางโลกก็ชอบพูดว่าฟิวขาดนะนั่นนะเขาเรียกกลุ่มหนักพอสมควรแล้วนี่กลุ่มหนักพอสมควรแล้วต้องดื่มยาต่อเนื่องดื่มธรรมโอสถต่อเนื่องถ้าเรารู้ว่าเรากลุ่มอย่าเป็น อยลืมดื่มบ่อยเ<อ>ขาใจม้ยมงนันมันไม่หายหรอกถ้าหายแล้วเดี๋ยวเราจะอยากจะเดินออกมาเนีอีกอย่ยางก็คือถ้าไม่หายอย่าเพิ่งเดินใช่ไหมบางคนยังไปตั้นหายจะเดินแล้วเนี่ยนะมันมีเหมือนกันนะในขับนละขั้นะะนะะเดี๋ยวกลับอีกโอไม่ได้นะ โอ้พูดอย่างนี้นายจะไม่ค่อยอยากกลับไปแล้วเนาะอันนี้ถือพูดหนักนะถือว่าหนักนะถ้าพูดกระดับขนาดนี้แล้วถ้ายังกลับไปยังหมายถึงหนักที่หนักตรงนี้ยังกลับไปอยกกลมที่จิตเขาเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยหนักลแล้วหนักแล้วประเภทที่เป็นโรคที่เกิดจากยาแล้วท่านนี้หนักไหม นี่คือคือลักษณะของสติถ้าหากว่าสามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ไดนะ้นานๆระลึกในอารมณ์ไดนะ้ภายในภายนอกชัดหยาบละเอียดถึงชัดเลยนะโอ้เป็นไปกับสติปัฏฐานยิ่งเป็นสามส่วนนะพิจารณาเห็นการในกายภายในอยู่กังจักและพิชชาดดได้โทมนัสดาระดับตะทางขั้นนี้นะพิจารณาเห็นกายภายนอกนในกายภายในที่เป็นภายนอกอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมรนะในโลกได้นนี่นะพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมรนะัตได้ถ้าจเจริญสติปัฏฐานสามส่วนนี้ชัดภายในก็ชัดภายนอกก็ชัดทั้งภายในภายนอกก็ชัดสามส่วนนี้นะบริบูรณ์นะพอดีสมควรโอ้โเถอย่าโลกเริ่มหายเริ่มสงบความคุ้มคั่งแล้วนะ นี่แสดงว่าดื่มต่อเนื่องนี่คนจะทํำได้ขนาดเนี้ยดื่มต่อเนื่องเข้าใจไหมนี่เขาเรียกดื่มต่อเนื่องทุกวันดื่มดื่มดื่มดื่มใพอถึงเวลาเป็นนี่ดื่มยาทุกครั้งอ่ะดื่มทัโอโซนถึงเวลาปุ๊บดื่มทุกครั้งแล้วไม่หมดไม่หยุดน่ะบางคนดื่มนิดเดียวพอวันนี้มีธุระวัน้มันมนกระจายมันออกนั่นนี่เข้าใจไหม่ะแบบดื่มนิดเดียวแล้วปริมาณยาแค่นี้ย การมันหนักแล้วนะมันก็ไม่อยู่จะดื่มกระปิดกระพอยดื่มไม่ตอนเนื่องแล้วในสุดจริงๆก็จะนี่เข้าใจนะกลับไปก็ไปดื่มเพรประการสมาก็สมาทิสีกัตถาสมาทินทรียังถัดทัพพังเจตูสุชาเนสุเอตถเอ เอฏะสมาธินทริยังทัตทับพังเป็นตอนมีพระบาลีท่านบอกถ้าเจริญสมาธินเนี่ยนะถ้าสมาธิถึงระดับไหนดีล่ะอุปจารสมาธิและอั ป, ปนาสมาธิเมื่อถ้พุทธคุณก็ได้อุปจาระหนึ่งกรรมคุณตังก็ควรยาเ้าเรียกว่าเดิมยาถึงใช่ไหมนิ่งสงบใช่ไหมแต่อย่าพึ่งไว้ใจนะ เนีกยยังไม่ได้หายเจมไหมแค่ <c ười> คุมได้เ้าเรียกโรคบางอย่างมันคุมเลยหมือนคุมความดันอเนี่ยอะไรมาเนี้ยรู้ถ้าถ้าความดันดูแลอยู่โอเคแล้ว okay. ลดึดไม่ใช่ป่ะโอู้อาหารเค็มเนี้ยอาหารเผ็ดจัดเนี้ยอาหารเค็มเนี้ ย, าายต้องหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารเผ็ดใช่ไหมต้องหลีกเลี่ยงอย่างนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวดขึ้นมาเลยเจอไหมตอนี้กรมบวนกัน ถ้าสงบมาแล้วเนี่ยใครที่ฟุ้งซ่านจะไปอยู่ไกล้มันเข้าใจไหมะนี่ยผมนี้ฟุ้งซ่านนี่ยอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวก็ติดอีเดี๋ยวเราก็ฟุ้งตามมานันอีกใช่ไหมคนไม่มีสมาธิทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องหลบๆหน่อยแล้วไม่ได้แป๊บเดียวใช่ไหมก็เหมือนเงี้ยเราสงบโลกความดันได้เนี่ยก็เราทานยาด้วยแล้วก็ปฏิบัติตัวด้วยก็กินอาหารบอ้โหอาหารนี่อร่อยมันถูกใจไหมเราเคยเคยลุยแป๊บเดียวขึ้นดแล้วครับ อะไรยั้ไงเบาหวานก็เหมือนกันเลยถ้ารู้จักมันเนี่ยเราจะรู้แล้วก็มามาไข้ควรเราเนี่ยแหละไม่ลอกข้อเองพระเจ้าห้ามห้ามไว้ก็ไปทำห้ามไว้ก็ไปทำใช่ไ ห, ไหมเขาห้ามเสพคนที่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไปเสพฟุ้งซ่านก็แป๊บตายเลยเก็ห้ามกินของแสดงหมอก็บอกไว้เนี่ยก็ไปกินก็เดือดร้อ ถ้ามันไม่มีจะกินล่ะทําไงเอออาตมาทําไงรู้ไหมเยี่ยหานี่เค็มอาตมาก็ข อ, อน้ำเราขอจานใบาจานจะเสร็จน้ําเทใส่เลยนี่ละลายใหม่พะลางใหม่แล้วก็ได้จิตจืดนี่อาตมาต้องต้องเป็นอย่างเงี้ยไปที่ไหนมันมันจากตะลางออกเพ็ดจากตะลางออกเข้าใจไหมหนี่ต้องเป็นนะเข้าใจไหมนี่เขาเรียกเป็นอาหารวินาศฉันได้ไหมได้อาตมาก็มาล้าง ไม่ต้องลหางเอาสินี่ถ้าอย่างนั้นมาก็อยู่ไม่ได้อะใช่ไหมชีวิตมันต้องอยู่เพื่อการจเจริญพุนลให้ได้ไมัใช่โอ้โหอะไรเหมือนกันบุคคลที่เราไปแล้วมาที่เสียจะไปไหมแล้วใครดีจะไมไปถ้า ไ, ไปาไหาคนนี้แล้วศรัทธาเราจะตกไปไหมแล้วก็ไม่ไปใช่ไหมทีนี้ก็ถ้าเป็นไปลักษณะอย่างนี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้ก็ทําลายความฟุ้งซ่านในตัวเราได้ กตถปัญจินทรียังทัตถพังเจตุสุอริยสัเจสุเอตถะปัญจินทรียังทัตถพัง น, นี่พระบาลีนี่นะทัตถประก็เลยสําหรับผู้ที่ได้พบพระพุทธศาสนาได้เจริญพุทธคุณเป็นต้นจนสา ม, มารถที่จิตเป็นสมาธิดังที่ได้กล่าวนี่นะเจริญอรหังสัมม า, ส, ม า, า ส, มสัมพุทโธวิชญานณสัมปโนสุกโตอะไรก็แล้วแต่บทใดบทหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่จนได้อุปยารสมาธิแปลสงบใช่ไหม หายจากความฟุ้งซ่านหายจากความกำเริบแล้วแล้วศรัทธาในพรธเจ้านี่เป็นบุญนักหนาแล้วงั้นการจะยังลงเห็นอริยสัจสะดวกมากสะดวกสิหนึ่งศรัทธาในพระเจ้าเป็นทุนอยู่แล้วและเจริญพุทธานุสิเป็นต้นเรอแล้วจิตตอนนั้นเป็นสมาธิอยู่แล้วในสมาธิทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกลุ่มนามธรรมอยู่แล้วสามธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่บนโลปวัรฏะอยู่แล้วนั่นไงอาหารของปันดินเดียยาม ก็อินทีเข้าไปวิจัยเลยความผ่องใสในจิตก็มีแล้วใช่ไหมความมุ่งมั่นในการที่จะออกจากทุกก็มีสติในการระลึกก็ชัดสมาธิก็โอ้โหเป็นฐานอย่างดีในการที่จะรับปัญญาแล้วเข้าใไหมขวานคือปัญญานั้นมีโอกาสได้รับเต็มที่แล้ววิจัยเลยมีทุกง่าัไวิจัยเลยเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกรูปธ ร, รมเป็นทุกยังไง แล้วทุกเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้มีปัจจัยมาจากปัญหายัางไงมีปัจจัยมาจากอวิชากรรมเป็นต้นยังไงเป็นต้นอันเนี้ยเห็นเห็นอริยสัจแล้วนเนี่ยอริยสัจเนี่ยทุกขสัจและเห็นสมุทัยสัจจะยางไงแล้วก็อัจฉริยาสาัยน้อมตัดรู้ตามพระพเจ้าพึงปรินิพานยังไงไมินิโรธาสัจจะเป็นอัจฉ ย, ย, ยิยะย่างไงตอนวิจัยอยู่นั้นนั้นขาสามลือมาร์กนั่นกำลังก่อตัวยังไงมาร์กก่อตัวแล้วแล้วก็วิจัยไปเรื่อยๆใช่ไหมรับด้วยวิจัยเรื่อย เอารับไปด้วยแหมฐ า, านราง ก, ก็ดีใช่ไหมสถาวิริยาสติสมาธิก็ดีอ่ะแหมปัญญาได้ช่องเลยเดี่ยเหมือนรับตลอดเวลาใช่ไหมเอามันก็เข้าไปฟันนะเข้าไปถาเข้าไปถางไอ้แข น, แนงหรือชัดทั้งหลายอ่ะฟันไปให้มันชักช้ำไปคมแล้วรับไหมเยี่ยงว่าอย่างนี้แหมพูดแล้วนะทำจริงๆใช่ไห ม, ไหมเดี๋ยวเรียบร้อยแหมข้าวมาข้วม า, าสบายเลยเดี๋ยวนี้ นเน่พราะสงบความฟุ้งซ่านเลยเลยในที่สุดจริงก็ไปวิจัยทีนี้ถ้าจำคำสอนไม่ได้ไปัญญาวิจัยท่องจำาุบปุบ ป, ป, ปเอามาวิจัยไหเรียนไม่เข้าใจมันจะเรียนเข้าใจแล้วแต่นี้ศึกษาไม่เข้าใจจะเริ่มศึกษาเสพคุณบุคคลที่ควรเข้าไปมีปัญญาทั้งหลายก็เห็นไหมแตเนี้มาเข้ามาเข้านี้โอกาสบรรลุกใกล้เลย คูแล้วน่าตื่นเต้นนะ <c oughs> ใช่ไหมนี่เป็นปรักนั้นทศาถ้างบอกบอกว่าถ้าไปพิจารณาในลักษณะอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคือเมื่อทำกระแสะของปัญญาต่างๆในการที่ท่องจำก็ดีฟังก็ดีปริปุจฉาก็ดีสอบถามเพ่งดูมนาจิการในส่วนจริงเห็นสจาดได้เห็นทุกสมุทัยนี้รดมากเป็นตเรนี้ได้นะเอามาวิจัยในการ ในสนจริงก็ไปไข่ควรพิจารณาเห็นอ น, นิจังทุกครั้งหน้าตาเป็นต้เลยานี้ไหมโดยทีมันช่ําชอง ม, มากอ่ะเพราะเราบ่มมาอย่างดีอย่างเงี้ยนะต่อไปกับพิบตาเห็นเลๆๆยก็บพิบปุ๊บปุ๊บปเนี่ยนะแค่กับพิบตาเนี่ยใครั้งหนึ่งอะฟ้าแลบต่างๆเป็นต้นเหล่านี้นก็สามารถที่จะเห็นก็เห็นนิจังกล่าวไว้อย่างเงี้ยเหนนมือนฟ้าแลบนะอนะไรแต่มากเนี่ยเออไม่ใช่โซดาปริมาณเป็นต้นเหมือนฟ้าแลบด้วยเหมือนฟ้าแลบ นั่นแนหะเขาแบบฟ้าผ่าเกิดขึ้นใช่ไหมปัญญายู่เหมือนเหมือ น, นวัโอชิระยานเหมือนกับเหมือนกับประดุจเพชรโอ้โหเนียในกรณีที่พยายามศึกษาเป็นต้นหลาเดือนหลายปีนะในการที่มาวิจัยในด้านในที่สุดจริงๆก็เห็นโทษภัยของสังสารวัตรในความวิปริตทั้งหลายในการที่เห็นด้วยความเป็นของงามเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของอัตตาตัวตนเป็นต้นเหล่านี้นะ ในสัวจริงเมื่อวิจัยเบ็ดเสร็จแล้วนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะในที่สุดจริงๆก็จะเข็นตามความเป็นจริงเพราะมันการบ่มเพาะมาอย่างดีเบเสร็จนี้และสิ่จริงก็สามารถระงับแล้วก็หายจากความคลุ้มคั่งหายจากโรคบ้าเลไรต่างต่า ไ, ได้ได้กลายเป็นบุคคลที่เป็นอริยะบุคคลได้นี่เป็นนาณาพิจารณาเนาะอันนี้ก็เป็นไปตามลักษณะนี้ก็ยังไม่จบแล้วเอาไว้แค่นี้เนาะก็พอเป็นงานสุด มาต่อไปได้